สวัสดีคุณผู้ฟังในชนแนลบน YouTube พระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะเช่นเคยค่ะว่าวันนี้บีเองก็มีเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวที่น่ากลัวน่ากลัวมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะ เรื่องราวของป้ายุพินค่ะเป็นเรื่องของผีอดอยากเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันเลยป้ายุพินนี่เป็นแม่ของยุพาเพื่อนสาวของฉันแกอยู่บ้านกันเพียงสองคนกับลูกสาวส่วนสามีของแกคือคุณวอนค่ะได้เสียชีวิตไปสิบกว่าปีแล้วป้ายุพินเนี่มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่ตลาดสดในตัวอำเภอโดยทุกๆเช้านะคะเป็นเช้ามืดประมาณตีสี่ ป้ายุพินเองเนี่ยแกก็จะตื่นขึ้นมาเตรียมตัวพอตีห้าแกก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพื่อที่จะไปเปิดแผงร้านค้าของแกเองและก็เป็นแบบนี้เป็นประจำทุกวันเรื่อยมาส่วนยุพานั้นนะคะวันธรรมดาเธอจะไม่ได้ไปช่วยแม่ขายของหรอกเพราะว่าต้องไปเรียนหนังสือพอเย็นเลิกเรียนก็ถึงจะไปช่วยแม่ขายของค่ะส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปเรียนอันนี้ก็จะไปช่วยแม่ขายของได้ทั้งวันจนกระทั่งวันหนึ่งคุณผู้ฟัง ป้ายุพินเนี่ยแกขี่รถไปตลาดสดซึ่งมีระยะทางประมาณ5กิโลเมตรแกไปถึงตลาดตอนตีห้ากว่ า, วาซึ่งตอนนั้นเพื่อนๆแม่ค้ากับพ่อค้าต่างเริ่มทยอยเปิดแผงของตัวเองแล้วแต่วันนี้ดูป้ายุพินก็มีอาการแปลกกว่าทุกวันนะคือแทนที่จะเปิดแผงจัดของเอาไว้ขายให้ลูกค้าแกกลับนั่งทําตาขวางส่งเสียงครางฮือฮอ พอพวกแม่ค้าพ่อค้าซึ่งมีแผงอยู่ใกล้ๆเห็นแบบนั้นค่ะก็เลยเข้าไปถามนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะยุพินเธอเป็นอะไรป้ามารีนะเป็นแม่ค้าขายผักแผงข้างๆนี่แหละแกก็ถามหมอกป้ายุพินเป็นอะไรป้ายุพินก็ได้ยินแบบนั้นก็หันมามองด้วยสายตาที่แข็งกร้าวแล้วก็พูดขึ้นหมอกกู้ไม่ได้เชื่อยุพินให้ตายเถอะคุณผู้ฟังเสียงที่พูดออกมานั้นเนี่ยไม่ใช่เสียงของป้ายุพินเลย แต่ว่าเป็นเสียงของผู้ชายน ะ, ะอายุประมาณ40กว่าบรรดาพ่อค้าแม่คานี่ต่างแตกตื่นค่ะกันทั้งตลาดเลยนะทุกคนรีบวิ่งมาดูป้ายุพินเต็มไปหมดไม่ใช่ยุพินแล้วแกเป็นใครกันละ่ะป้ามาลีเอ่ยถามกูชื่อชาติถูกรถชนอ่าถูกรถชนตายอยู่ตรงโคง้งเนี้มาห้าปีแล้วทุกคนก็เริ่มห้อมล้อมกันเข้ามาแล้วค่ะแล้วก็มองหน้ากันเลิกรักเลิกรั ก, ก, กสงสัยไงสงสัยยุพินมันถูกผีเข้าวะ่ะพวกเรา นาชาญ น, นะคะผู้ที่เป็นพ่อค้าขายหมูนี่เอ่ยขึ้นแล้วแกต้องการอะไรป้ามาลีถามกูอยากกินไก่ต้มกับเหล้าเอามาให้กูกินเร็วๆกูหิวพวกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต่างแยกย้ายกันไปหาของเหล่านั้น ครู่ต่อมาค่ะไก่ต้ม1ตัวกับเหล้าโรงหนึ่งขวดก็มาวางอยู่ตรงหน้าของป้ายุพินพอเห็นของที่วางอยู่ตรงหน้าแกก็ทำตาวาวน้ำลายสอเคี้ยวปากแจ็บๆเลยนะคะรีบคว้าไก่ต้มไปฉีกแล้วก็ยัดเข้าปากเคี้ยวกินอย่างตะกะตะกรามจากนั้นก็เปิดฝาขวดเหล้ายกปากขวดเทกรอกใส่ปากดื่มอย่างหิวกระหายท่าทางความตื่นตะลึงของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่เคยเห็นป้ายุพินแกดื่มเหล้าเลย เพียงชั่วเวลาไม่นานค่ะไอต่อไอตัวไก่ต้มหนึ่งตัวแล้วก็เหล้าหนึ่งขวดเนี่ยก็หมดลงอย่างรวดเร็วป้ายุพิ น, นก็กระดสายตามองคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วก็พูดว่าเออกูขอบใจพวกมึงมากกูอิ่มแล้วกูไปละพูดจบแค่นั้นแหละค่ะร่างของป้ายุพินก็ค่อยๆสุดหววลงไปแม่ค้าสองสาคนเนี่ยก็เข้าไปช่วยกันพยุงแล้วก็เอามานวดเอามาเฟ้น จนแกเนี่ยฟื้นรู้สึกตัวขึ้นมาลืมตาก็เลยถามว่านี่ฉันเป็นอะไรแกถูกผีเข้านะสิยุพินป้ามาลีบอกนะคะจากนั้นป้ามาลีก็เล่าเหตุการณ์ให้ป้ายุพินฟังพอแกได้ฟังจบนะแกก็เล่าให้ป้ามาลีฟังว่าขณะที่แกขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านมายังตลาดเนี่ยพอขี่มาถึงโคง้งถนนก่อนจะถึงตลาดประมาณสัก1กิโลเมตรค่ะรถก็เกิดกระตุกแล้วก็ดับลงแกก็เลยลองสตาร์ทเครื่องดูใหม่ แต่ว่าในขณะที่กำลังสตาร์ทอยู่นั้นเนี่ยได้มีลมนะคะประทะร่างแก้วูบหนึ่งจากนั้นแกก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยเพิ่งมารู้สึกตัวก็ตอนนี้แหละบรรดาพา่อค้าแม่ค้าในตลาดบอกว่าป้ายุพินเนี่ยอาจจะถูกวิญญาณผีตายโหงนะคะเพื่อที่จะมาเข้าร่าง เพราะว่าอดอยากหิวโหวยไงคือมาเข้าร่างเพื่อที่จะขอกินนู่นนี่นั่นนะคะทีนี้เนี่ยหลังจากเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะเพราะค้าแม่ค้ารวมทั้งป้ายุพินเองก็แยกย้ายกันไปเพื่อที่จะทำมาหากินของตัวเองเช่นเดิมนะคะขอบคุณเรื่องราวประสบการณ์ขนหัวลูกแบบนี้จากน้องอาร์มด้วยค่ะ ทีนี้เรามาฟังเรื่องขนหัวลุกจากต่างแดนกันบ้างคุณผู้ฟังนานๆทีน้องบีจะได้นำเรื่องผีสางหรือว่าเรื่องความเชื่อนะคะจากต่างแดนมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังวันนี้จะเป็นเรื่องของปีศาจปากฉีกคูริสเกตอ น, นะนะคะ คุริสเกะโอนะหรือว่าปีศาจปากฉีกเนี่ยเป็นปีศาจของประเทศญี่ปุ่นอีกชนิดหนึ่งที่บีนํามาเสนอต่อคุณผู้ฟังค่ะจากปีศาจกิโมโนสีขาวที่น่ากลัวซึ่งเน่จังผู้ที่กรุณานําเรื่องราวเหล่านี้มอบให้กับเราเมื่อคราวที่เธอกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยในรอบสองนะคะเน่เน่จังค่ะสาวสวยจากเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นเธอนําเรื่องผีหรือว่าเรื่องปีศาจญี่ปุ่นมาให้หลายเรื่องเลยแต่ว่ า, าบีขออนุญาต เลือกเรื่องนี้ที่มีผู้ยืนยันที่น่าเชื่อถือที่สุดซึ่งบีคิดว่าเออน่าสนใจมากกว่าพวกเรื่องเล่าต่างๆที่บอกว่าเขาเล่าว่านะคะมาเล่าให้ฟังค่ะคูริสเกะอนะหรือที่รู้จักกันในนามของปีศาจปากฉีกเนี่ยเป็นปีศาจ ท, ที่ชาวญี่ปุ่นให้ความหวาดกลัวแล้วก็เชื่อนะคะว่ามีอยู่จริงมากที่สุดแล้วก็ผู้คนที่พบเจอกันมากที่สุด ฮิตติดหนึ่งใน10ที่ปีศาจดุร้ายในธรรมเนียบของผีดุหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกผีดุมากๆเลยนะคะว่าจูออนซึ่งที่ก็มีเรื่องบันทึกมาจากครั้งอดีตเหมือนว่าแม่นาคของเรานี่แหละนะคะโดยบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อครั้งที่คุริสเกะเธอยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นยุค ข, ของซามูไรนู่นนะคะแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยตัวของคุริสเกะเองเนี่ยเธอก็คงจะเป็นคนที่มีหน้าตาสะสวยมากพอสมควรในยุคนั้น จนเธอได้เป็นภรรยาของหัวหน้าซามูไรคนหนึ่งแต่ก็อย่างว่าละค่ะอย่างที่วลรีจีนบอกว่าคนสวยมักจะอาพับคุริสเกะก็เหมือนกันไม่รอดพ้นชะตากรรมนี้เพราะว่าความสวยของเธอย้อนมาทำให้สามีที่เป็นซามูไรเนี่ยเกิดความรักมากเมื่อรักมากก็ต้องหึงมากเป็นธรรมดาของโลกทุกยุคทุกสมัย เมื่อคุริสเกะเป็นคนสวยก็ย่อมแน่นอนว่าต้องมีหนุ่มไม่หนุ่มในเมืองผ่านมาเห็นคุริสเกะก็ต้องอดเกี้ยวพาราศีไม่ได้อย่างน้อยน้อยก็ผิวปากแซวก็ยังดีค่ะจนเรื่องนี้รู้ถึงหูสามีซามูไรจอมขี้หึงและยิ่งกว่านั้นมีคนมาใส่ไฟว่าคุริสเกะเนี่ยนอกใจเขาแล้วก็ยิ่งหูอื้อขึ้นจนวันหนึ่งค่ะจะด้วยความเมาบวกความหึงหันหรือว่าด้วยความโมโหก็ไม่รู้ สามีซามูไรกลับมาถึงบ้านก็ตรงเข้าไปดุด่าภรรยาตัวเองอย่างหึงหวงมิยัยที่คุริสเกะจะพยายามอธิบายหรือปฏิเสธอย่างไรก็ไร้ผลยิ่งทําให้สามีซามูไรหน้ามืดตวาดเธอค่ะว่าข้าจะเอาดาบซามูไรฟันหน้าของเจ้าดูซิว่าใบหน้าเจ้าจะยังสวยอยู่อีกหรือไม่ว่าแล้วก็ชักดาบซามูไรกรีดหน้าเธอแล้วก็ฟันหน้าของเธอคุริสเกะสุดจะเดาค่ะ แต่ว่าดาบซามูไรแทนที่จะกรีดใบหน้าของคุริสเกะแต่ดาบนั้นฟันเข้าที่ปากที่อ้าขึ้นเพื่อจะร้องห้ามหรืออ้าร้องด้วยความตกใจก็สุดจะทราบด้วยความคมของดาบซามูไรนั้นทำให้คมดาบเนี่ยตัดปากของคุริสเกะจนเกือบถึงใบหูห้อยอ้าออกมาอย่างน่าสยดสยองถูกฟันจนขนาดนั้นเนี่ยเธอคงจะสีชีวิตแทบจะทันทีละค่ะ แต่ว่าบางบันทึกนะคะก็บอกว่าคูริสเกตเนี่ยเธอต้องทนทรมานอยู่อีกนานหลายวันต้องเอาผ้ามาพีห่อปากที่ห้อยเอาไว้ก่อนจะตายด้วยความทรมานและโกรธแค้นแล้วก็ตามบันทึกนะคะบอกไว้ค่ะว่าคูริสเกตเนี่ยได้นำวิญ ญ, ญาณที่อาฆาตสุดๆ ออกตามหลอกหลอนแล้วก็ฆ่าสามีเธอตายเป็นคนแรกแล้วก็ตามหลอกหลอนบรรดาผู้ชายที่เคยตามตอแยแล้วก็จีบเธอจนทำให้เป็นสาเหตุของการตายของเธอเนี่ยนะะทีละคนทีละคนจนตายบ้างเป็นบ้าไปบ้างแล้วก็ลากยาวมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ซึ่งก็ยังมีผู้ชายที่โชคร้ายดวงซวยเจอเข้า แต่ว่าในตามบันทึกบอกเอาไว้เนี่ยว่าผู้ที่โชคร้ายโดนปีศาจคุริสเกะหลอกเอานั้นไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ชายนะปรากฏว่าผู้หญิงก็เคยโดนหลอกเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าผู้ชายมากกว่าที่โดนปีศาจคุริสเกะจ้องเล่นงานอย่างเช่นที่คุณริลเซ่ค่ะซึ่งมีศัก์เป็นอาของเพื่อนของเนเน่จังเนี่ยโชคร้ายเจอเข้ากับปีศาจปากฉี่คุริสเกะจนต้องล้มป่วยเกือบตายเรื่องนี้เนเน่จังเล่าเนี่ย ว, ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อสิปีกว่าแล้ว แล้วที่เมืองกุมมะหรือว่าจังหวัดกุมมะเมืองกุมมะนี่อยู่ในตอนล่างของประเทศญี่ปุ่นนะมีลักษณะเป็นเมืองที่อยู่บนที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบเมืองเป็นเมืองที่สงบสวยงามเมืองหนึ่งมีสนามกอล์ฟที่ใหญ่ติดอันดับประเทศอยู่ที่นี่ด้วยค่ะส่วนจุดที่เกิดเหตุเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านหรืออำเภอยูจูโอเซนซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกุมมะ โดยเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อครั้งที่คุณริวเซต้องออกจากบ้านที่อยู่ทางเหนือของหมู่บ้านออกไปราว2กิโลเมตรวันนั้นคุณริวเซออกจากบ้านของเขาเพื่อไปงานแต่งงานของเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าคุณโซมะนะคะซึ่งเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนดังนั้นเมื่อเพื่อนสนิทของเขาแต่งงานก็ต้องมาร่วมงานด้วย เมื่อคุณริวเซออกจากบ้านโดยที่ขี่จักรยานสองล้อถีบมาถึงในตัวเมืองก็แวะรับคุณชิเงรุเพื่อนในกลุ่มอีกคนที่ได้นัดแนะกันเอาไว้นั่งซ้อนท้ายไปด้วยกันหลังจากร่วมงานแต่งเพื่อนรักคือคุณโซมะสนุกสนานเฮฮาจนดึกดื่นเที่ยงคืนคุณชิเงรุก็มาชวนคุณริวเซกลับเพราะเห็นว่าดึกแล้วกลับเถอะริวเซเที่ยงคืนแล้วนะนายก็เมาแล้วด้วยครั้งแรกคุณริวเซก็อยากอยู่ต่อเหมือนกันนะเพราะว่าติดลมค่ะ แต่คุณชิงเงรุเนี่ยรบเร้าก็เลยทนไม่ไหวก็เลยต้องยอมกลับพอออกมาถึงนอกงานที่จอดรถจักรยานอยู่อ่าจักรยานเนี่ยเพื่อที่จะถีบกลับบ้านเนี่ยนะคะคุณชิงเงรุก็รีบค่ะขอเป็นคนถีบจักรยานกลับเองซึ่งคุณริวเซนั้นรู้ดีว่าคุณชิงเงรุกลัวว่าตัวคุณริวเซเมาจะขี่ไปเกิดอุบัติเหตุเข้าก็เลยอาสานะคะในนี้เนี่ยคุณริวเซก็ไม่ได้คาดคานอะไร ทั้งคู่ก็ขี่รถแล้วก็ซ้อนรถกันมาตามาหมู่บ้านที่ปิดเงียบกันหมดตลอดทางเลยตลอดทั้งหมู่บ้านแล้วก็ถนนก็เลยดูเงียบแล้วก็โล่งไปตลอดค่ะทำให้ขี่รถได้อย่างสบายๆคุณรดวเซที่นั่งซ้อนท้ายมาก็ร้องเพลงไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็มีความสุข แล้วก็ยามค่ําคืนอย่างนี้แน่นอนว่าเสียงคุณริวเซเนี่ยย่อมดังเป็นพิเศษนะคะจนคุณชิงเงรุต้องออกปากเตือนบอกเบาๆเสียงดังนั่นไม่ได้นะเดี๋ยวชาว บ, บ้านเขาออกมาด่ากนันหรอกคุณริวเซก็เลยปอดแหกไปซะทุกเรื่องเลยนะอันนี้คือต่อว่าคุณชิงเงรุนะคะดึกป่านนี้ใครเนี่ยจะตื่นอยู่ป่านนี้หลับสนิทกันหมดแล้วอาจจะมีก็มีแต่ผีแค่นั้นแหละที่จะได้ยิน คุณดิวเซพูดพร้อมกับหัวเราะเสียงดังค่ะแต่ว่าคุณชิเงรุไม่ขำเพราะเขาเห็นว่าเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีอย่างที่คุณริวเซบอกจริงๆคุณชิเงรุก็เลยพูดนะคะว่ามาพูดเรื่องผีเรื่องสางเรื่องปีศาจกันได้ยังไงไม่พูดด้วยแล้วคุณชิเงรุทําเสียงหน้าสั่นพร้อมทั้งตั้งหน้า ต, ต, ตั้งตาถีบจักรยานมุ่งหน้ากลับบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านของคุณชิเงรุค่ะเขาก็ลงจากรถแล้วก็ให้คุณริวเซเนี่ย ถีบกลับบ้านที่อยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้านราว2กิโลนะคะคุณริวเซ่รับรถจักรกยานขึ้นมาคอมแล้วก็ขี่ออกไปเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านของเขาเองทีนี้เมื่อออกจากเขตหมู่บ้านาถนนนี่มันจะผ่านทุ่งนาบางช่วงผ่านขึ้นเนินเข า, าทางด้านซ้ายก็จะเป็นแนวรั้วถนนด้านนอกก็จะเป็นคูน้ำยาวตลอดไปนะคะส่วนทางด้านขวามือจะเป็นภูเขาลาดชันแทบจะเป็นแนวดิ่งเพราะว่าเป็นถนนที่ตัดผ่านตีนเขา คุณริวเซขี่จักรยานมาไม่รีบร้อนแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังด้วยความที่ตึงๆในพิษสุราจนเหลือระยะทางอีกระา ว, าวกิโลเมตรจะถึงบ้านของเขาแล้วริวเซก็เห็นร่างร่างหนึ่งค่ะที่ว่าด้านริมถนนฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นร่างคนคนหนึ่งเดินอยู่ก็นึกในใจว่าเอ้นี่ใครนะ่ามาเดินริมถนนดึกดื่นแบบนี้ ในครั้งแรกคุณริวเซนิคิดว่าอาจจะเป็นคนที่ตัวเองรู้จักซึ่งก็จะได้แวะรับติดรถไปด้วยกันแต่เมื่อใกล้เข้าไปในระยะร้อยเมตรค่ะคุณริวเซก็เห็นชัดว่าคนคนที่เดินอยู่นี่เนี่ย เป็นผู้หญิงในชุดกิโมโนสีทึบแล้วก็ดูจากรูปร่างที่เดินก็ดูว่าเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างที่ดีมากคนหนึ่งคุณริวเซมั่นใจล่ะหาะว่าไม่ใช่คนที่เขารูจักมาก่อนอย่างแน่นอนแต่ก็อาจจะเป็นคนที่มีบ้านเลยเข้าไปอีกก็ได้คุณริวเซก็ดีดกระดิ่งรถจักรยานเมื่อเข้าไปใกล้ๆในระยะ 4-5 หเมตรแล้วก็สังเกตเห็นชัดนะคะว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นคนที่สวยเอาเรื่อง แต่ติดอยู่ตรงที่ว่าตั้งแต่คางมาถึงจมูกเนี่ยมีผ้าคาดผูกรัดเอาไว้ราวกับว่าเป็นผ้าอนามายัยตามโรงพยาบาลที่หมอหรือว่าพยาบาลสวมใส่กันผิดแต่ว่าที่ผู้หญิงคนนี้สวมอยู่เนี่ยมันดูใหญ่กว่าปกติค่ะก็พูดออกไปบอกคุณครับผมชื่อริวเซมีบ้านอยู่ข้างหน้าคุณมีบ้านอยู่เลยผมไปหรือเปล่าครับให้ผมไปส่งให้ก็ได้นะเมื่อคุณริวเซร้องถามผู้หญิงคนนั้นออกไปค่ะเธอก็เหมือนจะหยุดเดินนิดนึง แต่แล้วก็เปลี่ยนใจเดินต่อไปจนคุณริวเซที่ตอนนั้นกําลังเบรกรถอยู่ก็ต้องถีบรถตามต่อไปแล้วก็บอกผู้หญิงคนนั้นว่าคุณไม่ต้องกลัวผมนะเดี๋ยวผมยินดีไปส่งไว้ใจผมได้แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงเดินต่อไปค่ะจนคุณริวเซเนี่ยชักจะฉุนแล้วละ่ะก็เลยเลิกคิดที่จะถีบรถตามแล้วก็จะถีบรถผ่านเธอไปแต่ก็ยังแต่ว่าปากเนี่ยก็ยังคงบ่นต่อไปนะคะแต่ว่าเสียงไม่ค่อยเบ า, เาไม่ค่อยแรงนักนะคะใครสวย เสียงผู้หญิงลึกลับคนนั้นถามมาอีกในคาถามเดิมคุณริวเซเองก็ยังคงค่อมจั ก, กรยานถีบอยู่ก็หลุดปากบอกไปตามจริงของใจเขาเองบอกว่าก็คุณนั่นแหละสวยสิ้นสุดคำพูดของริวเซค่ะผู้หญิงคนนั้นก็ยกมือทั้งสอ ง, สองข้างเนี่ยแก้ปมผ้าที่ถูกรวบผูกปมเอาไว้ที่ท้ายทอยออกและเมื่อผ้าผืนนั้นหลุดออกนะคะคุณริวเซถึงกับอ้าปากค้าง ก็เพราะว่าปากของผู้หญิงที่สวมชุดกิโมโนคนนั้นเนี่ยมันอ้านะคะคือห้อยลงมาหลุดออกจากขากันไกรลงมาห้อยอยู่เกือบถึงหน้าอกพร้อมกับเสียงหัวเราะปนคำถามออกมาบอกอย่างนี้สวยไหมฉันสวยไหม ร่างผู้หญิงคนนั้นหรือว่าปีศาจปากฉีกคูริสเกตเนี่ยก็ขยับเดินเข้ามาหาคุณริวเซทำให้เขาหวาดกลัวอย่างสุดขีดทิ้งรถจักรยานสองล้อวิ่งล้มลุกคลุกคลานหนีอย่างรนลานค่ะโดยที่มีเสียงของปีศาจสาวร้องถามไล่หลังมาตลอดทางบอกฉันสวยไหมฉันสวยไหม คุณริวเซวิ่งมาล้มลงหมดสติตรงหน้าบ้านของเขาเองทั้งภรรยาแล้วก็แม่ยายคนในบ้านออกมาพบคุณริวเซนอนหมดสติก็เลยโทรเรียกรถพาคุณริวเซนไปส่งโรงพยาบาลคุณริวเซไม่ได้สติอยู่เป็นอาทิตย์เลยนะพอฟื้นขึ้นเนี่ยก็มีอาการหวาดผวาอยู่นานเป็นแรมเดือนค่ะต้องพึ่งทั้งหมอผีทั้งพระจนอาการดีขึ้นนี่แลหละค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของปีศาจปากฉีกหรือว่าปีศาจคุชิอาคุชิสเกะอ น, นะนะคะ ของประเทศญี่ปุ่นว่ากันว่าถ้าใครพบผู้หญิงที่มีผ้าผูกปากเดินอยู่ห้ามไปถามหรือว่าทักว่าสวยเด็ดขาดเพราะว่าปีศาจคุชิเซเกออ น, นะจะเล่นงานเฉพาะคนที่บอกว่าเธอสวยเท่านั้นดังนั้นสาวๆในญี่ปุ่นมากหาผ้าปิดปากมาใส่ไว้กันหนุ่ม าปากไวเนี่ยแซวเอานะคะซึ่งก็ได้ผลช ง, งัดเหมือนกันนะคะอันนี้คุณคุณเนจังเป็นคนเล่าเอาไว้นะคะสำหรับหนุ่มไทยเราเก็ระวังอย่าไปพูดแซวสาวๆที่สวมผ้าปิดปากว่าสวยเข้ามุ่่วๆนะคะเพราะว่าหากโชคร้ายปีศาจปากฉีกหรือปีศาจคุชิสเกะโอนนะเนี่ยข้ามมาเที่ยวเมืองไทยขึ้นมาแล้วก็เจอดีแน่เดี๋ยวจะหาว่าบีไม่เตือนเด้อ ฟังเรื่องราวของปีศาจต่างแดนกันไปแล้วคุณผู้ฟังวันนี้เราจะกลับมาที่บ้านของเรากันบ้างนั่นก็คือที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าเข้าป่าเข้าดงขึ้นดอยขึ้นเขากันเป็นเรื่องราวของดงลับแล่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดตากค่ะซึ่งเป็นดอยที่เดินยากมีระยะไกลและก็ชันเป็นระดับต้นๆของประเทศคนเดินป่าอาจจะรู้จักนะคะในฉายาภูเขาสีทองของจังหวัดตาก เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อตอนปลายปีที่แล้วค่ะซึ่งโดยปกติแล้วคุณเคเป็นคนที่ชอบเดินป่าแล้วดอยที่เกิดเหตุแห่งนี้คุณเคก็เดินขึ้นมาแล้วแต่ว่าครั้งแรกคุณเคไม่ได้ตื่นขึ้นมาดูทะเลหมอกตอนเช้านะคะก็เลยกลับมาอย่างที่นี่อีกครั้งหนึ่ง ก่อนหน้าที่จะออกเดินทางเนี่ยคุณเคได้ออกปากชวนเพื่อนๆที่เคยเดินป่าด้วยกันแต่ว่าไม่มีเพื่อนคนไหนาสามารถไปด้วยได้เลยเนื่องจากว่าครั้งนี้คุณเคออกเดินทางในวันธรรมดาค่ะเพื่อนๆก็ลางานไม่ได้คุณเคก็เลยตั้งใจเอาไว้นี่ค่ะว่าจะเดินทางตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธช่วงใกล้ๆ ก, ก, กันกับวันออกพรรษา ด้วยความที่คุณเคนะั้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินป่ามากประจวบเหมาะกับงานที่ทำมาก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ได้วันหยุดในวันธรรมดาก็เลยตัดสินใจเดินทางเพียงลำพังคนเดียวในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ค่ะคุณเคนั่งรถตู้เข้ากรุงเทพแล้วก็ต่อรถไปยังจังหวัดตากเพื่อเดินป่านะคะ คุณเคถึงจังหวัดตากช่วงเช้ามืดวันจันทร์ประมาณสักตีสี่กว่าๆค่ะหลังจากที่กำลังมองหารถเพื่อที่จะเหมาไปที่อบตติดต่อเพื่อขอเช่ารถแล้วก็ไปส่งที่ตีนเขาแล้วก็รวมไปถึงลูกหาบด้วยที่จะเอาไว้ช่วยขนของนะคะในระหว่างที่กำลังมองหารถอยู่นั้นก็มีพ่อค้าคนหนึ่งขับรถกระบะมาจอดเทียบแล้วก็ถามคุณเคบอกจะไปไหนเหลน้องคุณเคก็เลยตอบไปบอกจะไปอบตครับพี่จะไปขึ้นดอย พ่อค้าได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดกับคุณเคไปบอกไปกับพี่ก็ได้น้องพอดีว่าพี่เองเนี่ยก็จะไปทําบุญที่บ้านพอดีอยู่ไม่ห่างกันเดี๋ยวแวะส่งให้ถึงตีนเขาเลยคุณเคได้ยินแบบนั้นก็นึกดีใจแล้วค่ะที่จะได้ไม่ต้องเสียค่ารถพอถึงที่หมายแล้วก็มีร้านข้าวร้านหนึ่งที่คุณเคจะต้องแวะก่อนเดินป่าตอนนั้นเนี่ยเวลาประมาณเกือบ7จ็ดโมงเช้าแล้วนะคะคุณเคกับพ่อค้ารถกระบะคันนั้นเนี่ยก็ลงไปสั่งข้าวทานอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นพ่อค้าก็แยกตัวไป คุณเคก็นั่งทานต่อแล้วก็สั่งข้าวกล่องเผื่อขึ้นไปทานระหว่างทางในช่วงเที่ยงด้วยเนื่องจากระยะทางที่ต้องเดินทั้งหมดเนี่ยมันประมาณสัก9กิโลเมตรเห็นจะได้ค่ะใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงคนที่เคยเดินป่าจะรู้ตัวดีว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งปกติแล้วทุกครั้งที่มาเดินป่าคุณเคก็จะมีพระนะครเป็นเหรียญเทวสวรรค์ห้อยติดตัวมาด้วยแต่ว่าครั้งนี้ค่ะลืมพก หลังจากที่คุณเคพักทานข้าวเสร็จเรียบร้อยระหว่างที่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมอุปกรณ์อยู่นั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊คุณเคยังไม่ได้แวะไปที่อบอตอก็เลยติดต่อลูกหาบไม่ได้ลูกหาบนั้นเนี่ยนอกจากช่วยขนของแล้วยังรู้จักเส้นทางที่สามารถนำทางให้ได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งสาคัญที่ไม่ควรลืมเลยล่ะคะ่ะคุณเคไม่รู้จะทำยังไงก็เลยลองถามกับแมคค้าร้านขายข้าวว่าป้าครับ แถวๆนี้เนี่ยผมพอที่จะหาคนนําทางหรือว่าลูกหาบที่ไหนได้บ้างป้าเจ้าของร้านก็ตอบอา้าวแล้วหนุ่มเคยมาที่นี่แล้วหรือ ย, ยังละ่ะคุณเคตอบไปบอกเคยมาแล้วครับเมื่อปีที่แล้วป้าก็เลยพูดว่าถ้าเกิดเคยมาแล้วแค่เดินทางที่เป็นรอยทางเดินแค่เนี้ยก็ถึงยอดแล้วละรอยทางเดินที่ว่าคุณผู้ฟังก็คือรอยเท้าที่เดินซ้ําๆจนเป็นเส้นทางเดินน่ยนะคะว่าตัวเองจะไปได้หรือว่าจะหลงทางไหม แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือเดินทางมาคนเดียวซะด้วยไงไม่ได้มีเพื่อนมาเหมือนปีที่แล้วแต่ว่าคิดไปคิดมาก็ตัดสินใจได้ว่าเอเอาวะลองดูน่าจะไปได้ปีที่แล้วก็เคยเดินขึ้นไปแล้วคุณเคก็เลยเริ่มเดินขึ้นเขาเวลาประมาณสัก8ปโมงครึ่งค่ะเนื่องจากว่าดูเวลาจากร้านข้าวก็ถ้าเดินขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมกับใจที่รู้สึกว่าไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เนื่องจากเดินทางคนเดียวแล้วก็เป้รวมไปถึงถุงนอนเต้นหม้อสนาม มันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเนื่องจากไม่มีลูกหาบช่วยค่ะระหว่างทางที่เดินขึ้นเขา่านั้นก็เดินบ้างหยุดพักบ้างถ่ายรูปไปเรื่อๆคุณเคก้มหน้าก้มตาเดินไปตามรอยทางเดินที่ย่านล้มเป็นทางจนถึงลําทานน้ําจุดที่พักทานข้าวคุณเคก็นั่งลงทานข้าวมองนูน่นมองนี่ไปเรื่อๆค่ะก็คิดว่าเ A ทําไมไม่มีใครเดินตามขึ้นมาเลย ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นลูกหาบหรือว่าเป็นชาวบ้านพวกหาของป่าอะไรทํานองนี้ก็ไม่มีค่ะก็ได้แต่บ่นอยู่คนเดียวก็เกิดอาการเหงาหลังจากทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมกรอกน้ําเรียบร้อยก็ออกเดินทางต่อผ่านไปได้ประมาณครึ่งทางซึ่งเวลาตอนนั้นเลยเที่ยงไปแล้วด้วยเดินต่อไปสักพักหนึ่งเกินครึ่งทางคุณเคก็นั่งลงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปนั่งเอาหลังพิงกับต้นไม้ ด้วยความเงียบของป่ารวมไปถึงการอยู่คนเดียวคุณเคก็เลยแอบงีบไปเนื่องจากว่าเพลียเพราะว่าเดินทางแล้วก็แบกของเยอะคุณเคนั่งงีบอยู่ใต้ต้นไม้ประมาณสัก 5-10 นาทีได้ก็ลุกขึ้นค่ะแล้วก็รีบเดินทางต่อเพื่อที่จะต้องการให้ถึงจุดกลางเต็นท์ก่อนมืดลุกขึ้นเดินต่อไปประมาณสัก1กิโลค่ะอยู่ๆฟ้าที่สว่างจ้าก็เริ่มคลึ้มพอเงยหน้าขึ้นมองดีๆมันไม่ใช่เมฆฝนไม่ใช่ร่มไม้ เป็นเพียงแค่มเมฆนั้นเนี่ยมันเยอะจนบังพระอาทิตย์หายไปคุณเคก็ก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปจนกระทั่งเจอทางแยกทีนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเลี้ยวไปทางไหนซ้ายหรือว่าขวาในใจก็คิดแล้วหาว่าจะหลงทางไหมนะคุณเคเองก็พยายามนึกเหตุการณ์เมื่อปีที่ผ่านมาตอนที่มากับเพื่อนก็นึกออกว่าเพื่อนเคยพูดว่าตอนที่ใกล้ๆจะถึงยอดเขานั้นมันจะมีทางแยกให้เลี้ยวซ้าย แต่ว่าตอนนั้นคุณเคก็จําไม่ได้แม่นยําอะไรนักก็เลยตัดสินใจค่ะเดินไปทางแยกซ้ายมือเดินไปเรื่อยๆชมวิวไปด้วยจนกระทั่งสามารถเดินไปถึงจุดกางเต็นท์ได้จริงๆซึ่งเวลานั้นเกือบ4ี่โมงเย็นแล้วก็รีบกางเต็นท์เตรียมสเสบียงแล้วก็เริ่มตั้งหม้อต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปท้องฟ้านั้นกเ็เริ่มมืดลงเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ตีนเขาเป็นต้นมาคุณเคอยู่เพียงลําพังไง แล้วก็อยู่ลำพังมาหลายชั่วโมงแล้วด้วยแต่ก็เหมือนฟ้ามาโปรโดค่ะอยู่ๆก็มีคนเดินขึ้นมาถึงจุดกลางเต็น์เป็นผู้ชายสองผู้หญิงสองคุณเคมองเห็นแบบนั้นก็รู้สึกดีใจมากก็เลยตะโกนถามบอกกินด้วยกันไหมพี่คนกลุ่มนั้นยิ้มกลับมาให้คุณเคคุณเคก็เลยถามไปบอกมาจากไหนกันครับผู้หญิงในกลุ่มก็เลยตอบกลับมาบอกมาจากกรุงเทพจ้ะแล้วพี่ผู้หญิงอีกคนก็เลยพูดว่าน้องมาคนเดียวไม่กลัวผีหรือไง คุณเคโดนถามแบบนั้นก็รู้สึกขนลุกบ้างเล็กน้อยแหละนะคะแต่ก็ยังพูดติดตลกกลับไปว่าก็กลัวเหมือนกันแหละพี่แต่ว่ากลัวหลงทางมากกว่าผีแล้วก็หัวเราะกันเบาๆคุณเคเริ่มรู้สึกนะคะว่าคนกลุ่มนี้นั้นเนี่ยถามคำตอบคำไม่ค่อยยิ้มแย้มนะัก คุณเคก็เลยลุกขึ้นไปช่วยสี่คนนั้นกางเต็นท์จนเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งทานอาหารของตัวเองซึ่งตอนนั้นฟ้าก็มืดมากแล้วหลังจากทาธุระส่วนตัวเสร็จก็เอาตะเกียงออกมาแขวนไว้ที่หน้าเต็นท์ปรับไว้ไม่ค่อยสว่างมากกลัวจะเกรงใจเต็นท์ข้างๆพอดีเพิ่งสังเกตนะฮะว่าน้ำเปล่าของตัวเองเนี่ยหมดน้าบริเวณ น, นั้นจะเป็นน้าขังก็ต้องเอามาต้มก่อนจะดื่ม แต่ว่าคุณเคเนีง่ง่วงนอนแล้วล่ะค่ะก็เลยตัดสินใจลุกไปที่เต็นท์ข้างๆถามกับพวกพี่กลุ่มนั้นว่าพี่ครับน้ําผมหมดขอน้ําสักขวดได้ไหมพี่กลุ่มนั้นก็เลยเดินไปหยิบมาให้ขวดหนึ่งโดยที่ไม่ได้พูดอะไรคุณเคก็รับมาแล้วก็กล่าวขอบคุณแต่ว่าในระหว่างที่กําลังหันหลังจะเดินกลับเต็นท์ตัวเองค่ะพี่ผู้หญิงคนนั้นก็เลยพูดนะคะผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยก็เลยพูดว่าน้องพรุ่งนี้รีบกลับหรือเปล่าถ้าไม่รีบก็ควรต้องรีบนะก่อนที่พระอาทิตย์ส่องแสงสว่างขึ้นเต็มดวงคว ร, รีบบกลั คุณเคได้ยินพี่พูดแบบนั้นก็ตอบไปบอกครับพี่พร้อมยิ้มให้แล้วก็เดินกลับไปนอนที่เต็นต์ตัวเองพอเข้าไปในเต็นต์ค่ะมุดตัวเข้าสู่ถุงนอนก็เริ่มง่วงก็นึกมาได้ว่าเอ๊ะครั้งนี้ไม่ได้ห้อยเทวสุวรรณมาด้วยก็เลยเริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา ระหว่างนั้นคุณเคก็ได้ยินเสียงเดินอยู่รอบเต็นท์เต็มไปหมดค่ะในใจก็คิดว่าเออน่าจะเป็นพวกที่เต็นท์ข้างๆนั่นแหละอาจจะเดินไปล้างตัวที่ลำธารเนื่องจากว่าลำธาร น, นั้นเนี่ยตั้งอยู่หลังเต็นท์ของพวกคุณเคนั่นเองระหว่างที่คุณเคกำลังแผ่เมตตาอยู่นั้นก็มีเสียงคนคุยกันแต่ว่าคุยอะไรก็ไม่รู้นะคะฟังไม่รู้เรื่องจับสับไม่ได้หลังจากแผ่เมตตาเสร็จคุณเคก็เตรียมตัวนอน พลิกตัวนอนอยู่ในท่าตะแคงค่ะสักพักก็รู้สึกเหมือนมอีไรผมมาแตะที่ปลายจมูกลากไปลากมาด้านหูซ้ายเบาๆในใจก็คิดว่างานเข้าแล้วยุงเข้ามาในเต็นท์แน่นอนเสี้ยววินาทีที่คิดแบบนั้นค่ะสัมผัสเหมือนกับไรผมมาโดนหูอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วช้าๆข้างๆหูบอกว่าขอบุญด้วยคนสิลักษณะการพูดนั น, เ, นเป็นภาษาเหนือนะ คุณเคขนลุกไปทั้งตัวค่ะนอนนิ่งไม่กล้าขยับแล้วก็รวบรวมสติเริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งในใจก็อธิษฐานให้กับสัมภเวสีที่อยู่บริเวณนี้ด้วยทุกอย่างเงียบลงเวลาผ่านไปครู่ใหญ่คุณเคเริ่มเคลิ้มพร้อมที่จะหลับนอนในท่าตะแคงขวาอยู่นานเริ่มจะเมื่อยก็เลยพลิกตัวกลับมานอนงายระหว่างนั้นค่ะเผลอลืมตาขึ้นมามองสิ่งที่อยู่เบื้องหน้างคุณเคคือ มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งกอดเข่าคุดคูจ้องมองคุณเคอยู่บริเวณเต็นท์นะคะคือมุมเต็นท์ช่วงปลายเท้าของคุณเคพอดีลักษณะที่เห็นนี่คือเป็นรูปร่างของมนุษย์ผู้ชายสีดำมืดไปทั้งตัวเห็นจากแสงที่ตะเกียงด้านนอกส่องเข้ามาลางๆชายปริศนาคนนั้นพอเห็นคุณเคลืมตาขึ้นมาแวบหนึ่งเขาก็รีบพูดกลับทันทีด้วยน้าเสียงเหมือนเดิมก็คือขอบใจขนาดแล้วชายคนนั้นก็ยิ้มให้ คุณเคตกใจค่ะรีบหลับตาลงเอ า, เอาถุงนอนเนี่ยปิดตานะแล้วก็นอนตัวสั่นคิดถึงเทเวสวุวรรณร้องขอให้ท่านช่วยลูกช้างด้วยจนเผลอหลับไปจนกระทั่งเช้าวันต่อมาคุณเคตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งออกไปนอกเต็นท์เห็นแสงสว่างก็คิดว่าจะไปที่จุดชมวิวต้องดูหมอกรับกับบรรยากาศยามเช้าคุณเคมองไปอีกรอบนึงอ้ไม่เห็นเต็นท์อีกสองหลังของพี่ๆสี่คนที่กางอยู่ไม่ไกลตอนนี้หายไปแล้ว ใจก็คิดว่าพี่พวกนั้น่คงรีบเก็บเต็นท์เพื่อไปจุดชมวิวพอดูวิวเสร็จก็คงลงไปเลยคุณเคก็เลยรีบเดินไปที่จุดชมวิวก็ไม่เห็นมีใครนะคะไม่มีใครเลยไม่เจอสี่คนนั้นแต่ว่าตอนนั้นคุณเคไม่คิดอะไรแล้วเพราะว่าเนื่องจากสิ่งที่อยู่เบื้องหน้านั้นคือบรรยากาศมันสวยงามค่ะคุณเคดื่มด่ากับบรรยากาศอันงดงามอยู่บริเวณนั้นพักใหญ่ๆหลังจากนั้นก็เดินกลับไปที่เต็นท์ของตัวเองต้มน้ําดื่มกาแฟแล้วก็เก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวลงเขา ระหว่างนั้นคําพูดของพี่หนึ่งในสี่คนก็แว บ, บเข้ามาในหัวของคุณเคอีกครั้งหนึ่งว่าทําไมต้องให้คุณเคกลับก่อนเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงระหว่างนั้นก็เก็บของไปดื่มกาแฟไปจนกระทั่งพระอาทิตย์เริ่มขึ้นจนเต็มดวงคุณเคเก็บเต็นท์แล้วก็เริ่มเดินลงเขาคุณเคค่อยๆเดินกลับทางเดิมทางที่เดินขึ้นมาแต่ปรากฏนะคว่าไม่มีทางที่จะเดินกลับลงไปได้ค่ะไม่มีทางเท้าไม่มีทางคนเดิน ทางเดินอื่นก็ไม่มีตอนนั้นได้แต่คิดว่าหลงทางแล้วแน่นอนต้องหลงป่าแน่ๆแต่ก็ยังคงเดินมุ่งหน้าไปอีกสักสองสามเมตรพยายามมองหาทางที่คุ้นตาระหว่างนั้นก็เริ่มกลัวแล้วละ่ะก็เลยยกมือไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้โปรดช่วยลูกช้างออกจากป่าแห่งนี้ด้วยลูกหลงทางทันใดนั้นท้องฟ้าก็มีเมฆบงังพระอาทิตย์เหมือนกับตอนขามานะคะท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้ม จากเมฆที่เยอะมากบังพระอาทิตย์คุณเคเองก็ตัดสินใจจะเดินกลับไปที่จุดกลางเต็นท์เพื่อรอความช่วยเหลือจะดีกว่าเพียงแค่คุณเคหันหลังกลับจะเดินกลับไปจุดเดิมก็ได้ยินเสียงเรียกเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านหลังไอ้นมมาทมาําอะไรที่นี่มาได้ยังไงคุณเคหันหลังกลับไปเห็นเป็นคุณลุงคนหนึ่งค่ะลักษณะเหมือนกับคนหาของป่า คุณเคเนี่ยดีใจมากเลยนะรีบบอกกับลุงแปลกหน้าคนนี้บอกผมหลงทางครับจะหาทางลงเขาแต่หาไม่เจอลุงได้ฟังแบบนั้นก็หัวเราะแล้วก็บอกกับคุณเคว่าเหรอตามด้วยภาษาท้องถิ่นอะไรสักอย่างซึ่งคุณเคฟังไม่ออกแล้วก็จบคำว่าไงเนาะแล้วก็หัวเราะดังลั่นค่ะ ลุงบอกให้เดินตามมาจะพาลงเขาก็เดินไปคุยไปไม่น่าเกิน20นาทีคุณเคก็กลับมาถึงบริเวณทางแยกตอนขาขึ้นมันนั่นเองนะคะขาลงมาลงมาแป๊บเดียวแต่ตอนขาขึ้นนี่สิโอ้โหจากทางแยกขึ้นไปอีกเนี่ยเป็นชั่วโมงกันเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์ลี้ลับประสบการณ์ลึกลับจะว่าผีก็ไม่กล้าการันตีจะว่า เจ้าป่าเจ้าเขาก็ไม่กล้าการันตีแต่ว่าขอส่วนบุญได้นี่ก็ต้องสันนิษฐานแล้วล่ะนะคะว่าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าน่าจะเป็นผีนะคะเป็นประสบการณ์ของคุณเคที่หลงป่าหมดเวลาของพระเจอผีประจําวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องราวแปลกเรื่องสนุกสนุกในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ